เย็นนี้อาจารย์นิมนต์อาจารย์ต้มในพุทธมสัสยฟังสวัวดีวันนี้อาจารย์โนดก็ไปจีนมาเจอแม่ีจีนก็มาร่ำลาทำตาแดงๆอยู่บ้างก็ไม่มีปัญหากลับมามา่อไหร่ยีก็กลับมาขณะที่มาที่นี่ก็ตั้งอกตั้งใจก็มีนี่ละ คารยานมิตรครูบาอาจารย์อาจารย์ตุ่มอาจารย์โนดหลายคนก็ดูแลกันโดยผ่าลมความเขียนทั้งกา้อารมณ์ปฏิบัติดีๆจนคนจีนบอกว่าเข้าใจเข้าใจเรื่องการไปิาทำการยุโรปตีแนวหลวงพุที่นันชัดขอกราบอารในาม่อมอาจารย์ตุ่มครับผมขอนอบ้อมคุณพระศรีรัตนตรยัย ก็ขอแสดงความคารวะกับหลวงพ่อคำเขียนนะฮะพวกเราก็ยังไม่ทันได้เจอกันหรือได้เจอแล้วก็ไม่แน่ใจจำไม่ได้ก็กราบขอโอกาสจากหลวงพ่อธงสุขนะฮะกราบขอโอกาสจากพระจันยุ ก, กิแล้วก็พระอาจารย์ทุงศิล์นแล้วก็ขอโอกาสจากเพื่อนศาสธรรมิกนะและก็ เจริญพรมายัางแม่ชีแล้วก็พวกเรานะฮนะนักปฏิบัติธรรมกันก็ตรงนี้พวกเรามากันเนาะนานๆจะเห็นหมู่สุภาพบุรุษนะเข้าวัดก <c oughs> ็นานๆจะเห็นเขาเรียกว่าบางทีบางวันก็มีสุภาพบุรุษหนึ่งท่าน <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็ถือว่ากลุ่มพวกเราก็ สุภาพบุรุษมากันเป็นส่วนใหญ่ก็น่ายินดีนะฮะน่ายินดีตรงที่ก็อย่างในพุทธการเนะาะก็เรียกว่าพระก็มาจากสุภาพบุรุษกันเนาะอย่างนั้นก็เป็นส่วนใหญ่แต่คระนี้ว่าตรงนี้เนี่ยทำไมพอมาถึงในยุคนี้ สุภาพบุรุษน้อยไปก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยกวันนี้เรามากันตรงนี้ก็ไม่ซักไม่ถามแล้วเนาะก็แสดงว่าพวกเราตั้งใจกันอย่างดีการตั้งใจตรงนี้ฮะมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยช่วยกลุยทางให้พวกเรานะเพราะความตั้งใจที่ถูกต้องเนี่ยฮะ การตั้งใจที่ถูกต้องก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยค่อยๆก็เรียกว่าฝ่าฝ่ า, ฝาหรือเดินไปข้างหน้าเนี่ยอย่างถูกต้องการที่เราตั้งเข็มทิศเอาไว้อย่างถูกต้องตรงนี้นะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างไม่เสียเวลาเข็มทิศที่เรามีตรงนี้เนี่ยก็เรามีพระเจ้าเนาะเป็นเบื้องหน้าเรา เมื่อมีพระเจ้าเป็นเบื้องหน้าเราเนี่ฮะตรงนี้สิ่งที่พรธเจ้าสอนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราก็เหมือนกับต้องไข้ควนกันหรือว่าต้องหยิบยกเอาไว้เป็นจุดหมายปลายทางของพวกเราสิ่งที่พระเจ้าสอนไม่มีอะไรมากไปกว่าทำยังไงถึงจะทำให้ชีวิตเราไม่ทุกข์นะตรงนี้ฮะ พระเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากไปกว่านี้นอย่างนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยว่าถ้าเกิดว่าเรามีจุดหมายปลายทางตรงนี้อยู่เนี่ยว่ายังไงเนี่ยนะฮะเราก็ขอให้ใช้ชีวิตนะฮะที่ไม่ทุกเนาะให้ได้ตรงนี้นะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยฮะได้ก็เรียกว่าได้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ย อะไรก็ตามที่เป็นทุกข์เนาะเราก็ตัดทิ้งไปอะไรที่เป็นทุกข์ก็ตัดทิ้งไปเหลือแต่สิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเขียนนะฮะก็จะบอกเอาไว้ชัดเจนบิน่งเขียนบอกว่าอืมสิ่งที่หลวงพ่อสนใจนะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่อะไรก็ตามที่ทำให้เป็นเรื่องของความไม่ทุกข์นะหลวงพ่อจะสนใจตรงนี้ มันอาจจะมีเรื่องที่น่าสนใจหลายอย่างเนาะเดี๋ยวก็อาจจะมีงานนั้นมีงานนี้ที่น่าสนใจมันอาจจะมีเดี๋ยวก็มีปีใหม่ลอยกระทงเนาะที่น่าสนใจอะไรเงี้ยอ่ะตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่คนคนเราก็สนใจกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนเนาะบ๊อบเขียนปาราลบขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเนื่องจากว่าเป็นคําพูดที่อืฟังดูแล้วก็ เนาะไม่มีทุกวันนี้หลวงพ่อไม่สนใจอะไรมากไปกว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ไม่ทุกขนะ์หลวงพ่อจะมีจุดหมายปลายทางของหลวงพ่อเนี่ยที่ช่วยให้การเดินไปข้างหน้าของหลวงพ่อเนี่ยเป็นการเดินที่ถูกที่ถูกทางอย่างตอนที่หลวงพ่ อ, อะจะบวชเนาะหลวงพ่อก็ตั้งใจว่าหลวงพ่อจะเป็นพระดีใช่ไหมฮะอยากจะเป็นพระดีอย่างนี้วันนั้นนั่นคือพอบวชปุ๊บเนี่ย ความตั้งใจตรงนั้นก็ต้องหากันเนาะว่าเอ๊ะเป็นพระดีจะเป็นยังไงกันซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องหาอะไรมากเพราะเนื่องจากว่าพระก็เป็นพุทธบุตรนะพระเป็นพุทธบุตรเมื่อเป็นพุทธบุตรเนี่ยก็ต้องทําตามพ่อเนาะพ่อสอนยังไงก็ทําแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ก็ท้ายที่สุดก็มาจบลงที่พระเจ้าเนี่ยจะไม่สอนอะไรเอาไว้เหมือนกันกันกบพวกเราเนาะหมู่พวกเรา จะเป็นพระก็ดีจะเป็นแม่ชีก็ดีจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาอะไรก็ดีเหมือนกันเราก็เป็นพุทธบริษัทและยิ่งพวกเราเลือกที่จะเดินเข้าบัตรกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจมั่นเอาไว้ว่าเราเนาะจะเรียนรู้วิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ถูกคำว่าอริยสัจสี่ที่พระเจ้าได้ตรัสสรูนเนาะคำว่าอริยสัจเนี่ยก็คือ ความจริงเนาะสี่ประการที่จะทําให้เปลี่ยนจากคนเนี่ยไปเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นอริยบุคคลตรงเนี้ยเนาะก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญว่าสี่อย่างเนี่ฮตรงเนี้ยให้เราเนี่ยก็ได้ใคร้ครวนกันใช่ไหมพระเจ้าก็ถามว่ารู้กันไหมว่าทุกเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอย่างนั้นทุกเนี่ยเป็นยังไงกันพวกเรารู้แล้วหรือยังอย่างเนี้ยตรงเนี้นยเนาะพระเจ้าก็บอกว่าทุกขเนาะ คือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องกําหนดรู้เนาะทุกเป็นสิ่งที่เราจะต้องกําหนดรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่เราจะต้องละเนะาะนั้นนะนิโรธเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้แจ้งแล้วก็มรุษเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เราทําให้มากอันนี้ว่าตรงนี้เนี่ยเนาะหลวงพ่อเทียนเนาะที่เป็นหลวงที่เป็นพระ้าจารย์ของหลวงพ่อคําเขียนเนี่ยก็ได้สรุป เรื่องนเนี้ยมาเนาะก็เรียกว่าสรุปผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าสิบสี่จังหะเนาะสิบสี่จังหวะตรงเนี้ยนเนาะก็เป็นรูปแบบอันนึงที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยได้ใช้แล้วหลวงพ่อเทียนก็เข้าใจอริยสัจสีต ร, ตรงเนี้ยะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเพียงเท่านี้หรือรูปแบบอันนี้จะทำได้ยังไง ตรงนี้หลวงพ่เทียนก็กำกับรูปแบบเอาไว้ว่าในรูปแบบอันนี้เนี่ยเรามีเนื้อหายังไงกันในขณะที่เราอาศัยความเคลื่อนไหวเนาะของ14จังหวะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ความเคลื่อนไหวนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะที่เราได้อาศัยกันการที่เราสร้าง14จังหวะขึ้นมาก็ประกอบด้วยกายเนาะที่เคลื่อนไหวเมื่อประกอบด้วยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ย จะรู้ได้ไหมว่ากายที่เคลื่อนไหวเป็นยังไงก็ต้องเอาใจมารับรู้เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ยหลวงพ่อเทียนก็ได้บอกเอาไว้นะเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมาคอยรับรู้นะเนี่ยเท่านี้นะฮะที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะว่าแต่แรกเลยแล้วก็คํากล่าวอันเนี้ยเนาะก็จะเป็นคํากล่าวที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากๆของการปฏิบัติธรรมแล้วก็ตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ ทำให้ไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการการที่เราจะไปถึงเป้าหมายที่เรียกว่าความไม่ทุกเนาะเราก็จะต้องค่อยๆผ่านทุกข์แล้วเราก็ค่อยๆพลนไปพลนไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยตรงเนี้ยว่าเมื่อเราเริ่มยกมือสร้างจังหวะสิบี่จังหวะกันเมื่อเราก็จะเริ่มเนะาะก็เรียกว่าเริ่มมีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะอาการทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกาย อาการทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจตรงนี้เนาะเราเองเราอาจจะยังแยกแยะไม่ถูกว่ า, วา MM. อะไรที่มันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายอะไรที่มันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจแต่ว่าสิ่งที่พวกเราเนี่ยจะ ค, ยค่อยๆเรียนรู้ก็คือตรงนี้ว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมารับรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้เราก็จะมีคําว่ากายมีคําว่าใจมีคําว่ากายมีคําว่าใจดูกายเคลื่อนไหวเนาะดูใจคิดนึก มีคำว่าดูหลวงพ่อคำเขียนที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็เคยถามเนาะบอกว่าเอ๊ะคนคนเราเนี่ยเนาะถ้าทําแบบนี้จะรู้คนทุกคนหรออะไรเงี้ยหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ยืนยันบอกว่ารู้แน่ๆแต่หมายถึงว่าต้องทําจริงๆนะอย่างเนี้ยต้องทําจริงๆคําว่าทําจริงๆตรงเนี้ยเนาะหลวงพ่อเทียนก็ได้ขยายความว่าเหมือนกับเราทํางานรับเงินเดือนอะใช่ไหมฮะถ้าเราทําจริงๆเราก็ได้เงินเดือนจริงๆ ถ้าเราทําจริงๆไปรับจ้างใครเนี่ยเราก็ได้รับเงินเป็นตัวตอบแทนจริงๆหลวงพ่อเทียนก็บอกหลวงม่อมเขียนบอกว่าเนี่ยก็ให้หลวงพท่ทให้หลวงพ่กําเขียนเนี่ยได้ลองทําอย่างเต็มที่ดูเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าทํางานของหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อเทียนจ้างให้ยกมือสร้างจังหวะนี่แหละแต่ว่าทําจริงๆนะเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้จริงๆนะตรงเนี้ยหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้าสมเดือนเนี่ยไม่รู้เนี่ยหลวงพ่อคำเขียนเออหลวงพ่อเทียนจะ ให้ก็เรียกว่าให้เงินเดือนสามเดือนซึ่งสมัยนั้นนี่เนาะพศสองห้า1ูนย์เก้าสองห้าหนึ่งศูนย์เนี่ยหลวงพ่อเทียนก็ถามหลวงพ่มเขียนหลวงพ่อเขียนบอกว่าจะได้สตังค์เดือนหนึ่งประมาณสักสามพันบาทสามเดือนก็เก้าพันบาทเนาะหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าเนี่ยท้าเลยบอกว่าทำจริงๆซึ่งก็ตรงนี้แหละก็เป็นสิ่งที่คนจริงก็ต้องรู้ของจริงเนาะ ก็มีหนังสือของหลวงพ่อเตียนที่พูดเรื่องนี้อยู่คนจริงรู้ของจริงทํานองเดีวยวกันเมื่อหลวงพ่อคำเขียนได้รับคํายืนยันจากหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคเขียนก็มีกําลังใจนะเพราะนึ่องจากว่าหลวงพ่อคำเขียนก็มีอ่าก็เรียกว่าเป้าหมายอยู่ในใจแล้วเนาะเราอยากเป็นพระดีเนาะอยากเป็นพุทธบุตรที่ดีตรงเนี้ยพุทธบุตรที่ดีต้องทำยังไงก็ต้องทําตามพ่อสอนเนาะแล้วก็เอาคําสอนของพ่อเนี่ย มาทำให้ได้เพราะฉะนั้นนัคือตรงนี้เนาะหลวงพ่อเขียนก็ได้ตั้งใจแล้วความตั้งใจตรงนั้นก็ทําให้เกิดสุกโตขึ้นในวันนี้แล้วก็ตรงนี้แหละก็เป็นสิ่งที่สอนต่อตามกันมาการที่เรากําลังยกมือสร้างจงกระพวกเราทํากันมาสองสามมันเนาะพวกเราก็น่าจะจับเนาะจับใจความสําคัญของการเคลื่อนไหวตรงนี้ได้บ้างเนาะในขณะที่เรากําลังมีกายที่เคลื่อนไหวเนี่ย พวกเราเองก็จะมองเห็นว่าอมบางทีเราก็รู้สึกตัวบางทีเราก็ไม่รู้สึกตัวตอนที่เรารู้สึกตัวเนี่ยเนาะก็จะเป็นตอนที่เราไม่คิดตอนที่เราคิดเราก็ไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเนาะก็จะเป็นสิ่งที่เราก็จะค่อยๆเริ่มเห็นเนาะความจริงเนาะของชีวิตที่ค่อยๆคลี่คลายออกมาความรู้สึกตัวมันก็มีนะแต่ความไม่รู้สึกตัวก็มีเหมือนกันตรงนี้เนาะหลวงพ่อคาเขียนก็จะพูดคาว่า เราลองดูนะเราลองดูนะเปลี่ยนหลงเนี่ยเป็นรู้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ตรงเนี้ยเนาะก็คือว่าในขณะที่พวกเราเนาะมีอาการทางกายเกิดขึ้นมาพวกเราเองก็จะก็เรียกว่าเกิดความไม่ชอบใจบางครั้ง ก, ก็เรียกว่าเกิดสิ่งที่จะเป็นจะตายขึ้นมาอย่างนั้นบางทีว่า ความทนไม่ได้เนาะหรือว่าสิ่งที่เกิดร้อนเกิดหนาวก็ดีเนาะร้อนก็จะตายอยู่แล้วหนาวก็จะตายอยู่แล้วอย่างเนี้ยเนาะอย่างนั้นสิ่งตานนะ่างๆนั้นๆแล้วเนี้ยก็จะเกิดขึ้นมาไปกับชีวิตเราเนี่ยทุกๆคนที่เราเคยมีปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นร้อนก็ทุกหนาวก็ทุกตรงเนี้ยหลวงพ่อขเขียนก็จะเปลี่ยนให้เนาะหลวงพ่อขเขียนก็บอกบอกว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะเนาะ แทนที่หนาวจะทุกข์ร้อนจะทุกข์เนี่ยเนาะหนาวก็ดีนะดียังไงเนาะหนาวก็ดีเราก็จะได้รู้ว่าอืมเราจะต้องใส่เสื้อหนาวร้อนก็ดีอืมเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องหาน้าอาบหาพัดมาพัดหิวก็ดีอืมเราก็รู้ว่าเราจะได้ได้กินตรงเนี้ยเนาะตรงนี้ลหละที่เราเรียกว่าเราเนี่ยเปลี่ยนหลงเป็นรู้ในขณะที่เราเคยหลงไปทุกข์หลงไปสุขเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเราเองในขณะที่เรา กำลังทุกข์อยู่กับความหิวเราเองเราก็ต้องหาข้าวมากินเนาะหาข้าวมากินไปด้วยทุกข์ไปด้วยอย่างเนี้ยกับการหาข้าวมากินแล้วก็ชื่นใจไปด้วยว่าเออเดี๋ยวเราจะกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้กินข้าวแล้วเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันเนาะอย่างนั้นตรงเนี้ยอันไหนจะดีกว่ากันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยสิ่งที่พวกเราเนี่ยเคยหลงไปทุกข์กันเนี่ยตรงเนี้ยเราลองเปลี่ยนกันในขณะที่เรารู้เนาะว่าทุกข์เนาะมันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย เราจะรู้ได้ยังไงก็รู้ได้ผ่านการที่เรากำลังยกมือสร้างจังหวะกันเนี่ยในขณะที่เรากำลังยกมือสร้างจังหวะกันเนาะเราเองเราก็จะเกิดเนาะเขาเรียกว่าตั้งใจยกมือสร้างจังหวะกันไปสักเดียวหนึ่ง5นาที10นาทีเกิดปวดเกิดมุ้ยขึ้นเกิดเมื่อยขึ้นมาอยากลุกเนาะเปลี่ยนจังหวะไปเดินจงกรมกัน5นาที10นาทีเกิดเมื่อยขึ้นมาก็อยากนั่ง ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นหลวงพ่อคำเขียนห ล, งลวงพ่อเขียงก็จะบอกบอกว่าอืมให้เราลองทนดูสักหน่อยเนาะอีกสักเดี๋ยวได้ไหมอย่าเพิ่งลุกถ้าอยากลุกอย่าเพิ่งนั่งถ <acre> <c oughs> ้าอยากนั่งตรงเนี <majestic> <pe> ้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่อีกสักเดี๋ยวได้ไหมอีกสักเดียวได้ไหมลองต่อลองดูก่อนอย่าเพิ่งทําตามความคิดอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะค่อยๆนะก็เรียกว่าความจริงก็จะค่อยเปิดเผยขึ้นมาเออจริงๆถ้าหากว่าเราทนได้อีกนิดนึง แสดงว่ากายมันก็ทนได้นะแต่ไอสิ่งที่มันทนไม่ได้ที่มันเรียกให้เราลุกเรียกให้เรานั่งนี่มันอะไรกันยเตรงนี้นะมันก็จะทําให้เราเนี่ยค่อยๆมองเห็นว่าอืมจริงๆแล้วทุกเนี่ยมันก็มีทุกทางกายนะมีทุกทางใจตรงเนี้มันจะมีทุกทางกายทุกทางใจแล้วทุกที่มันเป็นทุกจริงๆที่เราทนกันไม่ค่อยได้จะเป็นจะตายกันเนี่ยก็คือทุกที่เป็นทุกทางใจกันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยทุกทางใจเนี่ย หลวงพ่อคำเขียนก็บอกว่าให้เราเนี่ยเนาะให้เราแบบว่าเปลี่ยนเนาะก็เรียกเปลี่ยนทุกทางใจตรงเนี้ยเนาะนั้ น, ะ น, นแต่ถ้าหากว่าเป็นทุกทางกายเนี่ยก็ให้เราปรับเนาะอยงนั้นปรับกับเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอย่างสมมติหากว่าเรานั่งเนาะอืมพอสมควรที่กายเนี่ยจะทนไม่ได้เนาะก็ไม่ต้องทนหลวงพ่อบอกว่าก็ปรับ ปรับท่าทางซะการปรับบางทีขยับขยับนิดขยับหน่อย อ, อาการทุกข์ทางกายก็หายไปนะแต่ถ้าเกิดมาเราเนี่ยหลงไปทุกข์ทางใจเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมารู้สึกตัวกันเนาะเปลี่ยนมารู้สึกตัวกันกลับมาลองกลับมาเนาะลองกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กายที่เคลื่อนไหวตรงนี้เราลองดูนะว่าในขณะที่เราเนี่ยกลับมารู้สึกตัวเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ย ให้วความคิดที่อยากลุกความคิดที่อยากนั่งมันหายไปไหมอย่างเนนงเี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเราเองเนี้ยจะค่อยๆนะเขาเรียกว่ารู้จักว่าเราเนี้ยจะออกจากทุกเนาะทุกที่เป็นทุกข์ของความคิดเนี้ยได้ยังไงเพราะฉะนั้นนัคือตรงเนี้ยนะว่าเพียงแค่เราเริ่มต้นยกมือสร้างจังหวะกันเริ่มต้นยกมือสร้างจังหวะกันเราก็จะได้ค่อยๆเห็นกายค่อยๆเห็นใจค่อยๆเห็นอาการทางกายค่อยๆเห็นอาการทางใจ แล้วก็ตรงเนี้ยนะมันจะค่อยๆก็เรียกว่าเบิกเนาะเบิกทางให้เราเนี่ยค่อยๆเห็นความเป็นจริงตรงเนี้ยนะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวิปัสนาวิปัสนาก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเห็นความจริงเนาะ<ร><ร>เห็นความจริงเห็นความจริงอย่างพิเศษซึ่งความจริงอย่างพิเศษตรงเนี้ยเราไม่เคยเห็นเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยใช้ตานะดูออกไปข้างนอก ดูต้นไม้ต้นไล่ดูต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยตรงนั้นก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเนาะอย่นั้นแต่ว่าทํานองเดียวกันเนี่ยในขณะที่เราเริ่มต้นอาศัยการเคลื่อนไหวของกายเนาะเอาใจมาคอยรับรู้เนี่ยตรงเนี้ยเราเรียกว่าเราจะเริ่มพัฒนาตัวหนึ่งที่เรียกว่าสติขึ้นมาตัวสติตัวเนี้ยเนาะเขาเรียกว่าจะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยได้เห็นกายในกายได้เห็นใจในใจตรงนเนี้ยนะจะเป็นสิ่งที่ เขาวิเศษกว่าตาที่เราเห็นอยู่เป็นประจำตาที่เราเห็นอยู่เป็นประจำอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างอาจจะเป็นต้อหินต้อกระจกอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเนาะตาตัวเนี้ยมันก็ไม่เที่ยงแต่ว่าตัวสติเนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยเรียกว่าเห็นกายในกายเห็นใจในใจตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าจะเห็นความจริงของชีวิตแล้วก็การเห็นความจริงของชีวิตตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยค่อยค่อยทุกข์น้อยลงเนาะจากการที่เราเคย ทุกทั้งกายทุกทั้งใจเนี่ยก็เหลือแต่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้ความเป็นไปของกายความเป็นไปของใจเนาะพวกเราเองเนาะก็คงเคยเจ็บเคยป่วยกันคําว่าเจ็บเนี่ยเป็นเรื่องของกายคําว่าป่วยเนี่ยก็เป็นเรื่องของใจพวกเราเคยแยกกันไหมเนาะอาการเจ็บเนาะก็เป็นไปได้หลวงพ่อบอกว่านั่นคือของจริงเจ็บเนี่ยคือของจริงแต่ป่วยเนี่ย ไม่ใช่ของจริงมันเป็นอาการทางใจเนาะตอนเด็กๆเกนาะก็เคยบอกว่าปวดหัวเนาะเราก็บอกปวดหัวเราป่วยไปโรงเรียนไม่ได้จริงๆปวดหัวเนี่ยไปโรงเรียนได้ไหมไปได้ไปได้ไม่ใช่ไปไม่ได้แต่คราวนี้ว่าพอป่วยปุ๊บเนี่ยใจมันก็ไม่อยากไปเนาะมีดบาดเนาะก็แก้ไขกันได้เนาะทางกายแต่ว่าพอมันมีดบาดปุ๊บมันก็ป่วยนะป่วยทางใจเป็นลมกันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย เพื่เราเคยสังเกตกันไหมว่านี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าใจมันทําร้ายกายใจมันทําร้ายกายจริงๆทุกทางกายะไม่เท่าไหร่แต่ว่าทุก์ทางใจเนี่ยที่มันไปซ้ํากันเพราะฉะนั้นคือตรงนี้หลวงพ่อเทียนก็บอกว่ากายเนี่ยมันมีทุกอยู่แล้วเนาะมันก็มีหิวนะมันก็มีปวดฉี่ปวดอึนะมันก็มีการเมื่อยการปวดอะไรต่างๆนาน า, นาเหล่านี้เนี่ยการเป็นเน็บชาตัวนั้นก็เป็นทุกทางกายที่มีอยู่แล้วลนะ่ะ S 1> <S 1> <S <ess ant> เราเนี่ยไม่ต้องไปเติมทุกให้กับกายอีกเพราะว่าเท่านั้นเองเนี่ยก็แย่แล้วเนาะอยงนั้นแต่ว่าเราเนี่ยเราก็มักจะเติมนะเขาเรียกว่าทุกทางใจเนี่ยซ้ําเข้าไปกับกายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเมื่อการที่เราเริ่มยกมือสร้างจังหวะเนี่ยเราก็จะค่อยๆลื้อถอนนะก็เรียกว่าทุกทางใจเนี่ยออกไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อ ย, อยตรงนี้แหละก็เรียกว่าเราก็จะเริ่มพ้นทุกทีละน้อยทีละน้อย แล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยได้อาศัยนะเขาเรียกว่าการยกมือสร้างจังหวะตรงเนี้ยน ะ, ค, ะค่อยๆเห็นความจริงของชีวิตที่มากขึ้นเนาะเห็นสิ่งต่างๆนานาเห <t ul ose> ล่านี้ที่เกิดกับกายเนาะเห็น <t ul ose> สิ่งต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับใจตรงเนี้ยหลวงพ่อคำเขียนก็จะบอกบอกว่าส um! um, ิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยเป็นของจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยเป็นของไม่จริงเนาะอย่างนั้นตรงเนี้ยหลวงพ่อคำเขียนก็จะบอก มันมีเรื่องของความจริงกับความไม่จริงขึ้นมาเนาะอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่บางทีเนาะเรื่องสมมุติต่างๆนานาแบบนี้ที่มีอยู่กับชีวิตเราเนี่ยเนาะมันก็เป็นอุปทานก็เรียกว่าเป็นอุปทานที่ทําให้เราทุกข์ก็เยอะเนาะอย่างนี้วันนั้นนั่คือตรงนี้นะว่าพอเวลาที่เราเนี่ยเริ่มเนาะก็เรียกว่าเริ่มเดินทางเข้าสู่สิ่งที่เราเรียกว่าทางของความพ้นทุกข์ตรงเนี้เนาะเริ่มเดินทางก็สู่ทางของความพ้นทุกข์ ผ่านการที่เรารู้สึกตัวเนี่ยการที่เรารู้สึกตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนี่ก็คือการที่เราก้าวไปสู่ความไม่ทุกข์เมื่อเราก้าวไปสู่ความไม่ทุกข์เนี่ยเราก็ทิ้งความทุกข์เอาไว้ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ความรู้สึกตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งของเราเนี่ยก็จะพาพวกเราเนี่ยพ้นทุกข์ไปทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งให้พวกเราลองสังเกตดูหลายๆคนเนาะที่แบบว่ามีทุกข์ทางใจเยอะๆเนี่ยในขณะที่ เรากาลังมีทุกข์ทางใจอยู่นะทุกข์ทางใจตรงนั้นเนี่ยเราเคยสังเกตไหม่มาทุกข์ทางใจเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อเทียนก็สรุปให้ว่าทุกข์ทางใจเนี่ยนะเกิดมาจากความคิดเนี่ยเนะพื่อเราลองสังเกตดูว่าใช่ไหมอย่างเงี้ยนเะมื่อไหร่ที่เราคิดเนะาะเมื่อนั้นก็ทุกเมื่อไหร่ที่เราคิดเมื่อนั้นก็ทุกเงี้ยนะนะทุกตรงเนี้ยเพื่อเราลองสังเกตดูว่าครูบาอาจารย์ที่บอกเอาไว้เนี่ยสรุปเอาไว้ให้เนี่ย ตรงนี้สรุปก็เรียกว่าสรุปเอาไว้ให้แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์กันก็คือว่าลองดูผ่านอากับกริยาของเราในขณะที่บอกว่าเมื่อเราเนาะดูกายที่เคลื่อนไหวเนาะเมื่อเราดูกายที่เคลื่อนไหวดูใจที่คิดนึกดูกายที่เคลื่อนไหวดูใจที่คิดนึกเนี่ยมันก็จะมีจังหวะของมันเนาะมีจังหวะหนึ่งที่เราดูกายที่เคลื่อนไหวมีจังหวะหนึ่งที่เราดูใจที่คิดนึกเนาะอย่างนั้น ในขณะที่ใจเนี่ยไปคิดนึกเนี่ยเนาะตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้จักกายที่เคลื่อนไหวในขณะที่มีใจที่คิดนึกเนี่ยตรงนั้นเองเนี่ยเราก็จะพบว่าเราก็ไม่รู้จักกายที่เคลื่อนไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะว่าในขณะที่เรากำลังคิดเนาะอย่างเี้ยแค่คำว่าเอ๊คาเดียวเนี่ยหลวงพ่อคาเขียนก็บอกบอกว่าอืมตรงเนี้ยนะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แล้วเนาะทำไมไม่ใช่เพราะคาว่าเอ๊เนี่ย เราเองเนี่ยจะต้องหาคําตอบเนะในขณะที่พอเอ๊ะปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อ mm. มเขียนเคยบอกบอกว่าอืมเราจะต้องเกิดมาเป็นจําเลยเหรอเป็นจําเลยของอะไรเป็นจําเลยของความคิดเป็นจําเลยของความคิดเท่าไหะไรเพราะว่าเมื่อเอ๊ะปุ๊บเนี่ยก็ต้องรีบไปหาคําตอบเมื่อเอ๊ะปุ๊บก็ต้องรีบไปหาคําตอบหลวงพ่อ mm. มเขียนบอกว่าอืมในขณะที่เรากําลังยกมือสร้างจังหวะตรงนี้เนี่ยบางทีคําพูดของครูบาอาจารย์เนาะ จะเป็นของหลวงพ่อเทียนก็ดีของหลวงพ่อคําเขียนก็ดีที่พระอาจารย์สงศสริญเปิดให้หรือว่าจะเป็นสิ่งที่พระอาจารย์ทรงศสริญสอนก็ดีตรงเนี้ยเนาะก็จะเป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยเวลาเราทําไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองในขณะที่เราอ๋อเนาะเราก็จะพบว่าพออ๋อปุ๊บเนี่ยเราก็เดินหน้าต่อได้ทันทีในขณะที่เอ๊ปุ๊บเนี่ยเราก็ถูกฉุดให้หยุดทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเนาะว่าในขณะที่ เราเนี่ยตกเป็นจำเลยของความคิดเนี่ยแล้วเราเองก็ต้องไปหาคำตอบเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เดินบนเส้นทางของความไม่ทุกข์อีกต่อไปเราก็เองก็กำลังจะต้องไปนั่งเสาะหาคำตอบมาให้ความคิดเนาะซึ่งตัวความคิดตรงเนี้ยก็บอกว่ามันไม่มีตัวตนนะมันไม่มีตัวตนเราลองสังเกตดูสิมันมีตัวตนหรือเปล่านะความคิดเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเราลองสังเกตดูสิ แล้วความคิดเนี่ยมันทําให้เราทุกข์นะลองสังเกตดูสิทําให้ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าในขณะที่เอ๊ปุ๊บก็ต้องบอกแล้วเนาะเราก็ต้องเป็นจําเลยนะเป็นจําเลยเนี่ยมันไม่มีใครอยากเป็นจนะําเลยเนาะเพราะเนื่องจากว่าใครก็อยากเป็นโจทยากนะอยากเป็นผู้ถูกเนะอย่างนั้นเ พ, พราะฉะนั้นนั่นคือพอเป็นจํ left, เาเลยแล้วก็ต้องไปหาคําตอบเมื่อไปหากาตอบเนาะเราก็ต้องทุกข์แล้วเนาะต้องไปหาคํ า, ต อ, ب, า, clay, ต, าตอบหาคําตอบเมื่อไหร่จะได้คําตอบก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้นาะ่า ขนะคิดปุ๊บก็เป็นทุกข์แล้วทํานองเดียวกันในขณะที่เรากําลังยกมือสร้างจังหวะกันในเมื่อที่เรากําลังอืตั้งใจนะตั้งใจว่าจะยกมือสร้างจังหวะเดี๋ยวใจแล้วมันก็เปลี่ยนไม่อยากละเนอะสงสัยละเนอะอย่างนั้นเอ๊ะเป็นยังไงใช่ไหมอย่างนั้นฟุ้งซ่านบ้างอะไรต่ตางๆนานาเหล่านี้บ้างเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้นะความไม่เที่ยงของใจนะก็ปรากฏให้เราได้เห็นเนอะปรากฏให้เราได้เห็นตลอดมา ผ่านความที่มันไม่ตั้งมั่นเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเลยและในขณะที่มันไม่ตั้งมั่นเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเลยไอ้ อ, อย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายปั๊บไปกับตาแล้วของใหม่มันก็เกิดขึ้นมาใหม่ของใหม่มันก็เกิดขึ้นมาใหม่ของเก่าก็หายปั๊บไปกับตาเพราะฉะนั้นตรงเนี้นะว่าความไม่เที่ยงเนาะความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนเนี่ยก็ปรากฏให้เราเห็นผ่านการยกมือสร้างจังหวะของเราแบบนี้นาะการยกมือสร้างจังหวะของเราแบบเนี้ยเนาะ เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นเนาะชัดเจนนะว่าอริยสัจสี่เนี่ยที่บอกว่าทุกเนี่ยเนาะเราต้องกําหนดรู้เนี่ยทุกของกายทุกของใจเนี่ยไม่มีมากไปกว่านี้เลยเนาะ <S <S ทุกของกายเนาะก็มีทุกของใจก็มีอย่างเนี้ยเพราะนั้นนั่นคือเราเนี่ยได้รู้ชัดแล้วไหมถ้าเรารู้ชัดแล้วเนี่ยเนาะตรงเนี้ยเนาะสาเหตุเนี่ยของความทุกเนี่ยที่บอกว่าเป็นความคิดเนี่ยเนาะตรงนั้นอะเป็นสิ่งที่ เราเนี่ยจะต้องละจริงหรือเปล่าเพราะในขณะที่บอกว่าเราเนี่ยเนาะมาดูกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเนาะเอาใจเนี่ยมาดูกายที่เคลื่อนไหวตรงเนี้ยนะเราก็จะพบว่าใจเราเนี่ยที่ไปยึดติดกับความคิดอยู่เนี่ยก็จะละมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของกายตรงเนี้ยนะเป็นตัวที่ทำให้จิตเนี่ยได้ละออกาจากความคิดเมื่อจิตละออกมาจากความคิดทุก็ไม่มีตรงนั้นเนี่ย ตัวที่เรียกว่าเป็นตัวนิโรธเนี่ยเราได้แจ้งไหมในขณะที่เราเนี่ยรู้สึกตัวนกับการเคลื่อนไหวเนี่ยตรงนั้นน่ะใจที่ไม่ทุกข์น่ะเราได้เห็นกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนคือตรงเนี้ยนะว่าในขณะที่เรากำลังยกมือสร้างจังหวะกันเนี่ยอริยสั์สี่ทั้งหมดก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วนี่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยมีสติเนาะที่จะคอยดูไหม มีสติที่จะคอยมารู้สึกตัวกันหรือเปล่าเราเริ่มต้นจากสติที่คอยมารู้สึกตัวตรงนี้คำว่ารู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวตรงเนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสําคัญที่สุดแต่เราเริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ยการที่เราเริ่มต้นใช้สติเนี่ยคอยดูกายคอยดูใจเนี่ยคําตอบต่างๆนาน า, นานาเหล่านี้เนี่ยมันจะค่อยเดินทางมากขึ้นมากขึ้นผ่านเวลาที่เราเนี่ยยกมือสร้างจังหวะกันหลวงพ่เขียนก็จะเป็นคนที่ คอยดูแลพวกเรานะหรวงพ่อเขียนก็จะเริ่มคำถามที่บอกบอกว่าพวกเราทำได้แล้วหรือยังนะยกมือสร้างจังหวะเนี่ยทำได้แล้วหรือยังไม่ใช่ว่าเพียงแค่เรายกมือสร้างจังหวะอย่างเดียวนะเราจะต้องเนี่ยเนะกลับมารู้สึกตัวนะมีเนะแบบว่าเอาใจเนี่ยมาคอยรับรู้การเคลื่อนไหวของกายเรานะเอาใจมาคอยรับรู้การเคลื่อนไหวของกายเรานะ ทำเป็นแล้วหรือยังหลวงพ่อขุนเกศก็จะถามอย่างนี้นะทำเป็นกันแล้วหรือยังถ้าเราทำเป็นแล้วเนี่ยหลวงพ่อขุนีกศก็จะถามต่อบอกว่าอืมแล้วเราทำคล่องแล้วหรือยังทำคล่องแล้วหรือยังเราทำเก่งแล้วหรือยังสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในขณะที่เรากําลังยกมือสร้างจังหวะบางทีเราก็อาจจะประมาทว่าเราทำได้แล้วแต่อย่างที่บอกนะหลวงพ่อขุนเกศก็จะถามว่าทำเป็นแล้วหรือยังทำคล่องแล้วหรือยังทำเก่งแล้วหรือยังสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย จะบอกให้เรารู้ว่าในขณะที่เรากำลังหลงไปคิดเนี่ยพวกเราเองก็จะบอกนะว่าเราหลงไปคิดเมื่อกี้คิดไปหลายเรื่องเลยถึงจะรู้สึกตัวพอผ่านไปวันสองวันเราก็จะพบว่าตอนที่เราหลงไปคิดมันก็สั้นลงสั้นลงเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้นะว่าในขณะที่การหลงไปคิดเนี่ยสั้นลงสั้นลงมีความหมายยังไงก็มีความหมายว่าทุกเราก็น้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้นะมาในขณะที่พวกเราเนาะ กำลังยกมือสร้างจังหวะตรงนี้เนี่ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่ว่าตรงนี้ละที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ามันเป็นทางลัดสั้นเพราะว่าตรงเนี้ยเนะาะก็เรียกว่าความจริงเนาะที่ทําให้คนเนี่ยเราเปลี่ยนไปเป็นเขาเรียกว่าผู้ไม่มีทุกข์เนี่ยหรืออริยสัจตรงเนี้ยเนาะมันก็ได้ปรากฏกับเราเนี่ยจะค่อยๆปรากฏกับเราจะค่อยๆปรากฏกับเราตราบที่เราเนี่ยเนาะมีสติเนาะคอยกลับมาดูกายที่เคลื่อนไหว เพียงแค่เราเริ่มมีสติกลับมาดูกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเราก็เรียกว่าเราก็จะเจริญสติกันในขณะที่เรากำลังเจริญสติถ้าเรามีความตั้งมั่นเนาะที่จะดูกายที่เคลื่อนไหวเป็นระยะหนึ่งเราก็เรียกว่านั่นเราก็เจริญสมาธิไปด้วยในขณะที่เราเนี่ยแค่ยกมือสร้างจังหวะอย่างเดียวเนี่ยสติก็มีสมาธิก็มีศีลก็มีเพราะว่าในขณะที่เรากลาลังยกมือสร้างจาังหวะตรงนี้เนี่ยคิดที่จะไป ทำร้ายคนอื่นก็ไม่มีพอมารู้ว่าคิดก็กลับมารู้ว่าคิดก็กลับมาเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยศีลสมาธิเนาะสติก็มีปัญญาก็มีเพราะเนื่องจากว่าปัญญาเนี่ยก็คือสิ่งที่เราไม่ได้พูดถึงความฉลาดความโง่นะแต่ปัญญาเนี่ยเราพูดกันว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการพาตัวเองพ้นทุกไหมมีความสามารถในการพาตัวเองพ้นทุกไหมทุกอยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่ความคิด รู้ว่าคิดก็กลับมารูว่าคิดก็กลับมาเราทำ บ, บ่อยๆเราก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นกลับมาได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์เนี่ยได้สรุปบทเรียนเนาะบทเรียนตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนก็บอกบอกว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยได้ฝึกเนาะหลายๆอย่างเนี่ยมาตั้งแต่เป็นเนรเนาะฝึกมาตั้งแต่ยังเล็กอะ่ะจนกระทั่งถึงเนี่ยหลวงพ่อเทียนอายุ 4, 46ปีหลวงพ่อเทียนอายุ 4, 46ปีเนี่ย หลวงพ่เทียนก็บอกว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยได้พบวิธีการนี้แหละได้พบวิธีการสร้างจังหวะที่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็บอกให้หลวงพ่อเทียนบอกว่ายกมือเนี่ยก็บริกรรมไปด้วยนะบริกรรมไหวเนาะนิ่งไหวนิ่งเนาะติ่งนะิ่งติ่งนิ่งติ่งนิ่งเนาะประกอบกันไปหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าเราก็บริกรรมมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ว่าลองไม่บริกรรมดูซิรู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยได้ไหม นั่นนั่นคือหลวงพ่อเทียนเนี่ยใช้เวลาแค่สองวันเนาะ ใ, ในการที่จะทําให้หลวงพ่อเทียนเนี่ยได้ค้นพบความจริงเนาะที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ถูกเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้เอาชีวิตของตัวเองเนี่ยได้ทดลองความเป็นจริงเนาะแล้วก็ได้เอาเขาเรียกว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้สรุปเนี่ยมาบอกมาสอนต่อหลวงพ่อเทียนก็ได้สอนหลวงพ่อคาเขียนหลวงพ่อคำเขียนก็ได้มีข้อที่พิจารณากับพวกเรา การที่พวกเราเนี่ยได้หัดดูแต่แรกเนี่ยการที่เราดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยดูใจคิดนึกเนี่ยตรงนเนี้ยเนาะเขาเรียกว่าเราหัดดูเราหัดดูกายเราหัดดูใจเราหัดดูกายเราหัดดูใจตรงนเนี้ยเนะจะเป็นสิ่งที่ถึงวันหนึ่งหลวงพ่อคำเขียนก็กล้าที่จะพูดบอกว่าหลวงพ่อไม่เป็นอะไรกับอะไรเพราะเนื่องจากว่ากายจะเจ็บก็เป็นเรื่องของกายเนาะ ใจจะทุกข์ก็เป็นเรื่องของใจคนดูก็เป็นคนดูกายก็เป็นส่วนหนึ่งใจก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะมันก็เป็นสิ่งที่นี่คือข้อสรุปที่ครูบาอาจารย์เนี่ยได้บอกเอาไว้แนละสิ่งที่พวกเราจะต้องทำเนาะในฐานะที่พวกเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ก็คือลองพิสูจน์ความจริงเนาะสิ่งที่ครูบาอาจารย์เนี่ยได้บอกได้กลั่นประสบะการณ์ออกมา พุทธเจ้าเองได้บอกเอาไว้หลวงพ่อเทียนได้บอกเอาไว้เนาะหลวงพ่อคําเขียนได้บอกเอาไว้ตรงเนี้ยหลวงพ่อคำเขียนบอกชัดเจนเนาะบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อแต่ว่าลองทําดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อลองทําดูก่อนแล้วก็การลองทําดูก่อนตรงนี้เนี่ยลองทําอะไรลองทําให้ตัวเองไม่ทุกขนะ์นักถ้าเรามีความตั้งใจเอาไว้ว่าเราเนี่ยเนาะจะขอเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ทุกข์เนี่ยตรงเนี้ยตั้งใจไว้ให้มัน่น ในขณะที่เรากําลังยกมือสร้างจังหวะกันเนี่ยตรงเนี้ยเราทําให้ตัวเองทุกข์หรือเปล่าเนาะเรากำลังยกมือสร้างจังหวะด้วกกยการวางกายไกลไกลไหมด้วยการวางใจกลางกลางไหมถ้าเพียงแค่ว่าเราเองเนี่ยเราเริ่มสังเกตนะการยกมือของเราเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการวางกายไกายกลไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิจังหวะก็เป็นเรื่องง่ายแล้วนะนั่นนั่นคือเราก็มีโอกาสที่จะดูอย่างอื่นมากขึ้นเราลองดูซิว่าการยกมือสร้างจังหวะ แบบการวางคายคลายจะเป็นยังไงการวางใจกลางๆจะเป็นยังไงตรงเนี้ยนะก็จะเป็นสิ่งที่เราเนียก็จะค่อยๆหัดนะก็เรียกว่าค่อยๆหัดเป็นผู้ดูเราการที่เราค่อยๆหัดเป็นผู้ดูตรงนี้เนี่ยการหัดตรงเนี้ยผลของการหัดก็คือความที่เราก็พ้นทุกข์ไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยการที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้นะสอนเรื่องความไม่ทุกข์ตรงนี้เนาะพระเจ้าก็บอกว่าตรงนี้นะ มันก right, ็เป <Europe. S 1> ็นเรื un, ่องที่เราเนี่ยจะพาตัวเองเนี่ยพ้นไปทีละน้อยทีละน้อยตรงเนี้ยนั้นนั่นคือพวกเราทําได้ไหมถ้าพวกเราทําได้ตรงนี้เนี่ยพวกเราเองก็ขอให้พวกเรามั่นใจว่านี่คือสิ่งที่พวกเราได้สนองความตั้งใจของเราเนี่ยไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยทางนี้จะถูกไหมเนาะทางนี้จะถูกไหมก็ถามขึ้นมาคําถามนี้เกิดขึ้นมาสิ่งที่จะเป็นคําตอบก็คือถูกหรือไม่ถูกเนี่ยก็อยู่ที่ว่าทุกเราลดลงหรือเปล่า ถ้ า, าว่าทุกเราลดลงทางนี้ก็ถูกต้องถ้ า, ากว่าทุตเราลดลงทางนี้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้ถ้าหากว่าวันไหนที่ทุกมันไม่ลดนะก็ต้องลองดูว่าเอ๊เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเกิดอะไรขึ้นกับการปฏิบัติของเรามันมีความผิดความถูกอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นะว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าการยกมือสร้างจังหวะและการรู้สึกตัวตรงนี้นะจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า เป็นกุญแจสําคัญท to ี differs, December, moral, ่สุดนะของการปฏิบ yeah. <My truth. S 1> ัติธรรมบ้าหลวงพ่อเขมเชียนจะบอกเอาไว้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยกลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามเนี่ยกลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนเพราะการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยตรงเนี้ยสติจะกลับมาคุ้มครองกายเราคุ้มครองใจเราแล้วก็ตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยพ้นจากทุกข์แล้วก็ตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ให้พวกเราเนี่ยเนาะได้ตั้งใจกันมว้ว่า ถ้าพวกเราเนี่ยตั้งใจที่จะเป็นคนหนึ่งที่จะลองทดลองความไม่ทุกข์ว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราได้หรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยก็ขอให้พวกเราตั้งใจตรงเนี้ยเอาไว้ให้ชัดเจนแล้วก็ตร ว, ตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติของเราแล้วพวกเราจะพบว่าต ร, <S <S ตรตงเนี้ยคำครูตรงเนี้ยจะเป็นคําที่ช่วยให้พวกเราเนี่ยได้ไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเราทุกๆคน ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ตั้งใจเนาะตั้งใจปฏิบัติกันตรงนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเขียนบอกว่าจะไม่พาพวกเราหลงทิศปิดทางแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ตรวจสอบเนาะว่าทุกของพวกเราเนี่ยลดลงจริงไหมถ้าวัตทุกของพวกเราลดลงจริงเนี่ยพวกเราก็ลองทำให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ตรงนี้ละ่ะความไม่ทุกเนี่ยก็จะเป็นของพวกเราทุกๆคนก็ขอให้พวกเรากราบพระพร้อมกัน